وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ لَدَيْنَا نُنَزِّلُ عَلَوْดَاهِ حِكْمَةَ แก่ลุกมานโดยกล่าวว่าจงขอบพระคุณต่ออัลเลาะห์เถิดและผู้ใดขอบคุณ แท้จริงเค้าก็ขอบคุณตัวของเค้าเองและผู้ใดปฏิเสธแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงพอเพียงและทรงได้รับการสรรเสริญวะอิซกอละลุกมานอิบนะฮูวะฮูวะยะอิซุฮูยาอะบุลัยลาลาตุชริกบิลลาฮอินนะชริกะลัฎุลมุนอะซีมละจงรำลึกถึงเมื่อลุกมานได้กล่าวแก่บุตรของเขาโดยสั่งสอนว่าโอลูกเอ๋ย เจ้าอย่าได้ตั้งภาคีใดๆต่ออัลเลาะห์เพราะแท้จริงการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นั้นเป็นความผิดอย่างมหันต์วะวัสไซนาลอินซานะบิวาลิดัยฮิฮะมัละตุฮูอุมมุฮูวะฮะมละฮุอะลา AH. AH. ah وَฮ์ วะฟิซาลูฮูฟีอาไมน์อินชุกรลีวะลิวาลิดัยกะอิลัยัลมะศีรเราได้สั่งเสียแก่มนุษย์เกี่ยวกับบิดามารดาของเขา โดยที่มารดาของเขาได้อุ้มคั่นด้วยความอ่อนเพลียครั้งแล้วครั้งเล่าและการญาติหนุ่มของเขาในระยะเวลา 2 ปีเจ้าจงขอบขอบคุณข้าและบิดามารดาของเจ้าอย่างข้าคือการกลับไปของเจ้าวะอินจาฮะดะกะอะลาอันตุชริกะบิมาไลซะลักบิฮิอิลม์ฟะลาตออะฮูมา وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبَعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَئَ تَخَاوَ ثَـنْ 2 บังคับเจ้าให้ตั้งภาคีต่อข้าโดยที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นแล้วเจ้าจะได้เชื่อฟังปฏิบัติตามเขาทั้งสอง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 وَمَا مِثْلُهُ قَال حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونَ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونَ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ أُلُوك แท้จริงหากว่าความผิดนั้นมันจะหนักเท่าเมล็ดผักสักเม็ดหนึ่งมันจะซ่อนอยู่ในหินหรืออยู่ในบรรดาชั้นฟ้าหรืออยู่ในแผ่นดินอัลเลาะห์ก็จะทรงนํามันออกมาแท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงรอบรู้ يا بني اقيم الصلاه وامض بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور اولوเอย เจ้าจงปฏิบัติละหมาดและจงชายกันให้กระทําความดีและจงห้ามปรามกันให้ละเว้นความชั่ว และจงอดทนต่อสิ่งที่ประสบกับเจ้าแท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่หนักแน่นมั่นขมวะลาตุซออิดขัดดะกะลิลนาซีวะลาตันชีฟิลอับดิมะเราะฮาอินนัลลอฮะลายุฮิบบุกุลลมุคตะลินฟะคูรและเจ้าอย่าหันแก้มคือใบหน้าของเจ้าให้แก่ผู้คนอย่างยะโซ และอย่าเดินไปบนแผ่นดินอย่างไร้มรรยาทแท้จริงอัลเลาะห์ไม่ทรงชอบผู้หญิงจองหองและผู้คุยโวโอ้อวดทุกคน وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاضْبِطْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ صَوْتُ الْحَمِيرِ และจงลดเสียงของเจ้าพอประมาณและจงลดเสียงของเจ้าลง تتنج เสียงที่น่าเกลียดยิ่งคือเสียงร้องของลาอะลัมตารออัลลอฮาซัคเราะละกุมมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎวะสบะฆะอะลัยกุมนิอามะฮูฎอฮิเราะวะบาตินะฮูวะมินัลนาซีมันยูจาดีลฟิลลาฮิบิไฆรอิลมินวะลาฮุดาวะวะลากิตาบินมุนี พวกเจ้ามิเห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลเลาะห์ทรงอำนวยความสะดวกให้แก่พวกเจ้าซึ่งสิ่งที่มีอยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่มีอยู่ในแผ่นดินและพระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานอันมากมายของพระองค์อย่างครบขันแก่พวกเจ้าทั้งที่เปิดเผยและที่ซ่อนเร้นและในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้โต้เถียงในเรื่องของอัลเลาะห์โดยปราศจากความรู้ และปราชญ์ทางนําที่ถูกต้องและปราชญ์คัมภีร์เทพฐานสวรรค์วะอีดากีละนะฮุมมุตตะบิอูมาอันซัลลอฮุกาลูบัลนะตตะบะอูมาวะจัดนาอะลัยฮิอาบาอานาอะวะลาวกานะ อัช-ชัยฏอน ยะดะอูฮุมอิลา อะซาบิส-ซะอิบ แล้วเมื่อได้มีการกล่าวแก่พวกเขาว่า จงปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงประทานลงมาพวกเขากล่าวว่าแต่เราจะปฏิบัติตามสิ่งที่บรรพบุรุษของเราปฏิบัติกันในเรื่องนั้นอะไรกันถึงแม้ว่าชัยฏอนจะเรียกร้องพวกเขาสู่การลงโทษที่มีไฟลุกโชนอยู่กระนั้นหรือ ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعقوه الاثقى والى الله عاقبه الامور لا بد ان نอบน้อม ใบหน้าเขายังอัลเลาะห์โดยที่เขาเป็นผู้กระทํา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 แล้วเราจะบอกแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้แท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในซวงอบนุมัตตุอฮุมกะลีลันซุมมานัดดัรรูฮุมอิลาอะซาบิงกะลีดเราจะให้เวลาพวกเขาสนุกสนานกันเพียงเล็กน้อยแล้วเราจะไล่ต้อนพวกเขาไปสู่การลงโทษที่รุนแรง وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لا تاเจ้า ถามพวกเขาใครเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลเลาะห์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลเลาะห์ แต่ทะว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ลิลลาฮิมาฟิสสมาวาติวัลอัรฎิอินนัลลอฮุฮวัลกะรีลฮะมีดสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของอัลเลาะห์แท้จริงอัลเลาะห์นั้นคือผู้ทรงพอเพียงจากสิ่งทั้งหลายผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم لها قوه طن ماي ทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินเป็นปากกา และมหาสมุทรเป็นน้ำหมึกมีสำรองไว้อีก 7 มหาสมุทรคำตรัสของอัลเลาะห์ก็ยังจะไม่หมดสิ้นไปแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชญาณนาคอลกุกุมวะลาบะอ์ซุกุมอิลลากะนัฟซุนวาฮิดะฮ์อินนัลลอฮะสะมีอุนบะศีร การบังเกิดของพวกเจ้าและการฟื้นคืนชีพของพวกเจ้ามิใช่อื่นใดนอกจากเสมือนชีวิตเดียวแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นอะลัมตะรออัลลอฮยูริดุลไลลาฟินนะฮารวะยูริดุนะฮาราฟิลไลลวะซัคคาระอัชชัมซวัลกอมรคุลลยัจรีอิลาอะจรมุซัมมา وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ จำมีได้เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลเลาะห์ทรงให้กลางคืนเข้าไปในเวลากลางวันและทุกสิ่งโคจรไปตามวาระที่กำหนดไว้ ذالك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير نن เพราะว่าอัลเลาะห์นั้นพระองค์คือผู้ทรงสัจจะและเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากพระองค์เป็นเถิดและเพราะว่าอัลเลาะห์นั้นพระองค์เป็นผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ Alam tara anna al-fulk tajri fi al-bahr bi ni'mati Allahi li yuriyakum min ayatihi in fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur Chau mi hen dok rue wa ruea nan lan pai nai thong thaleu nueng duai kwam prot pran khong Allah phuea phra phrong cha hai phuak chao dai hen sanyarn tang tang khong phra phrong แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่ผู้อดทนผู้ขอบคุณทุกคน وا اذا غشيهم موج كالظل ندعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور แล้วเมื่อลูกคลื่นซัดมาท่วมมิดพวกเขาคล้ายเงาร่วมที่ปกคลุมพวกเขาก็วิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ครั้นเมื่อพระองค์ได้ช่วยพวกเขาได้ขึ้นบกในหมู่พวกเขามีผู้อยู่ในสายกลางและไม่มีผู้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเรานอกจากผู้ทรยศเนรคุณทุกคน يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور โอ้มนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าจงยำเกรงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดและจงคลือวันหนึ่งที่พ่อมิอาจช่วยลูกของเขาได้และลูกก็ไม่อาจจะช่วยพ่อของเขาได้แต่อย่างใดถ้าจริงสัญญาของอัลเลาะห์นั้นเป็นความจริงดังนั้นอย่าให้การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ล่อลวงพวกเจ้าและอย่าให้หัวหน้าของพวกล่อลวงคือชัยฏอน ما يلوق لوامพวกเจ้าเกี่ยวกับอัลเลาะห์ได้เป็นอันขาด อินนัลลอฮะอฺنده อิลมุสซาอะติวะยันซิลุลไกตวะยอะลามุมาฟิลอัรหามวะมาตะดรีนัฟซุมมาดาตักซิบุฆอดาวะมาตะดรีนัฟซุมบิไออัรฎินตะมุต อินนัลลอฮฺอะลีมุนคอบีรแท้จริงอัลลอฮฺนั้นความรู้แห่งวันอวสานนั้นมีอยู่ณที่พระองค์และพระองค์จะทรงประทานฝนลงมาและพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในมดลูกและไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่มันจะหามาได้ในวันรุ่งขึ้นและไม่มีชีวิตใดรู้ว่าณแผ่นดินใดมันจะตาย ฮักกิงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วน